พระธรรมเทศนาแผ่นที่67ดลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่15ธันวาคม2557มีชื่อเรื่องว่าให้ระมัดระวังปัจจุบันนักรรม วันนี้เป็นวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2557เมื่อวานพวกเราได้ถวายภาพป่าเพื่อสมทบสาลาต่อปีกสาลา ในกลุ่มของพวกเราได้จตุ ป, ปัจจสามแสนสองพันสามบาทถูกพอเองในฐานะที่เป็นประธานสงฆ์ขอขอบคุณอนุโมทนาจากพนะกศัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนให้ได้บุญมากๆให้ได้บุญหลายๆเกิดพบไร้โชคชาติได้ให้อยู่ในล่มเงา ของพระพุทธศาสนาเหมือนกับอยู่ใต้ร่มเงาของศาลาของเรานะ่อย่าให้ถูกแดดถูกฝนป้องกันพยันอันตรายลูกเข็บร่มเย็นเป็นสุขตลอดจนพ้นทุกข์ในวัฏสงสารนะนะ <c oughs> แล้วก็เมื่อเช้าทางอาจารย์หมอศีนคริน เลยมาเอาเลือดหลวงพ่อไปตรวจนะัลูกหลานนะไปตรวจพรานานแล้วไม่ได้ตรวจเลือดเาก็คงจะสงสัยหาเบาห ว, วานไตกิดสลายคอเลซเตอนอลแต่ไตกิดสลายคอเลสเอรอลของหลวงพ่อเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเกินเกินไปอยู่แต่ส่วนอื่นก็ยังไม่มีอะไรแต่หลวงพ่อกลัวที่สุดก็คือ อมมพิกอมมาพาดพอผู้สูงอายุโดยมากจะเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าเป็นอมมพิกอมมพาตขึ้นมาแล้วก็เป็นภาระของพระลูกพราหลานหามไปโน่นหามไปนี่ตัวเองก็ช่วยตนเองไม่ได้แล้วก็พระเนนทั้งหลายจะ ท, ทอดทิ้งก็ไม่ได้ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ ก็เลยเป็นภาระอิลงตุงหนังเนี่ยหลวงพ่อกลัวเพราะนั้นหลวงพ่อจึงใส่ใจในการหมอเขาขอตรวจหลวงพ่อเอเอาตรวจก็ตรวจเพื่อจะได้รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนถ้ามันเช่นเลือดไปอุดหวัวใจปักจะจบนะไรกันก็ง่ายดีเหมือนกันอแต่ถ้าหาว่าเป็นอมาภพกอมาพาดเนี่ยโอ้ใช้กรรม เห็นครูบาดจา์แล้วก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพราะว่าของใครของเราแต่ของเราก็พยายามปัจจุบันนกรรมปัจจุบันนกรรมเราต้องรักษาจนสุดความสามารถหมอเขาแนะนำอย่างไรก็ทาให้เหลือวิสัยจริงเราก็ปฏิบัติการฉันอ า, อาหารประเภทอย่างไรที่เป็นโทษเราก็ต้อง ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องไม่เห็นแก่ปากแก่ลิ้นเห็นแก่ความอริด อ, อร่อยเราก็ต้องระวังเรื่องอาหารเพราะว่ามันเป็นพาหะที่จะนำไปให้เป็นไขมันทำให้มีปัญหาเป็นอมภกอมภ่าสิ่งเหล่านี้พวกผู้สูงอายุทั้งหลายนับแต่หลวงพ่อเป็นต้นไปนะให้ช่วยๆกัน ดูเหมือนกันเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกของหลานถ้ามีลูกหลานน้อยคนถ้าหาว่าปู่ย่าหรือคุณพ่อคุณแม่เป็นอมภพกอมะมภาตนี่แหละยิ่งเป็นผู้ยากจนอีกท่านี่ไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นภาระอย่างหนักะฉะนั้นก่อนที่จะฉันอะไรก่อนที่จะทานอะไรพักพรอยยังไง เข้าห้องนองห้องน้ำที่มันจะรื่นหกล้มยังไงผู้สูงอายุต้องระมัดระวังพอสมควรอันนี้คือปัจจุบันนักรรมที่หลวงพอ่อพูดนี่นะคือมองมองเห็นถ้าเรารักษากอดตลอดปลอดภัยแต่ปัจจุบันนักรรมถ้าตัวเองประมาทเดินซุ่มซ่ามไปเรื่อยทานอาหารตามต้องการไปเรื่อยผลที่ฉุดก็ ปัญหาก็ตามมาเพราะว่าปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เราไม่รักษาสุขภาพอันนี้ว่าปัจจุบันน ก, กรรมส่วนอดีตกรรมอันนั้นเราสุดวิสัยเพราะพบชาติที่แล้วเรามองไม่เห็นบางทีเราอาจจะไปค้อนทุบหูทุบหัวหมูหมากาไก่ตีหลังงูจนกระดูก เคื่อนอย่างนี้เป็นต้นเราก็ใช้กรรมกรรมคือการกระทำของตัวเองในอดีตอันนั้นว่าอดีตกรรมอันนั้นเราสุดวิสัยเพราะเราได้ทำกับเขามาแล้วเราต้องได้รับอย่างที่พระอาหารหันตสาวกอย่างพระพุทธทเจ้าก็จะสวยกรรมที่ตนได้กระทำไว้ หรือได้ใช้กรรมที่โดนตนได้กระทําไว้มีมากต่อมากในพระธรรมคําสอนในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นพวกเรากคงจะไม่เว้นอย่างนั้นเหมือนกันทุกคนก็ต้องมีกรรมมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริษสามิจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปอันนี้ก็คืออดีตกรรมแต่ส่วนปัจจุบั น, นกรรม <c oughs> ที่เรารู้แล้วอันไหนเป็นโทษอันไหนเป็นคุณอันไหนจะเป็นนำไปสู่ความหายนะความจิบหายเราก็ต้องระมัดระวังที่หลวงพ่อได้พูดว่า <c oughs> กรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่า เพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้หลวงพ่อย้ําแล้วย้ําอีกถ้าจะว่าเป็นพุทธภาษีของพระพุทธเจ้าแต่หลวงพ่อเองนํามาเป็นวลีหรือคําพูดยกยอพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราระมัดระวังกรรมชั่ว อย่าทำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะเมื่อคืนในหลวงพ่อก็ได้พูดเรื่องจิตภาวนาให้กับคณะัตหายาจมลูกหลานเพื่อการศึกษาเพราะว่าเราเป็นพระกรรมฐานฉันอ่านมื้อเดียว อยู่ในปา่าอยู่กุฏิคนละหลังอยู่ในความสงบพวกเราจะไปพูดเรื่องอาการดำรงชีพอย่างอื่นก็คงจะไม่เหมาะแต่ถ้าไม่พูดเลยก็ไม่ได้พูดบ้างแต่หัวใจหลักจริงๆก็คือปฏิบัติถึงจะทำดีขนาดไหนก็เถอะ ถึงจะทำชั่วขนาดไหนก็เถอะผลในสุดก็คือจุดจบก็คือความตายผลนั้นเราควรจะทำเมื่อคนทำความชั่วแล้วเป็นยังไงผลออกมาเป็นยังไงถ้าเรากำทำกรรมดีแล้วเป็นยังไงอันนี้ให้พวกเราตรวจตาดูอันนั้นก็คือพูดเป็นแนวความคิด แต่เรื่องจิตภาวนาของแต่ละท่านแต่ละคนอันนี้อย่าอย่าลดละนะอันนี้คือหัวใจจริงๆคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ดรือว่าได้นำพระธรรมคำสอนออกมานั่นน่ะมาจากจุดที่ว่าพระพุทธองค์ชาระใจของพระองค์หมดจดจากกิเลสส่วนอย่างอื่นเป็นผลทนเองเป็นผลเ็นผลตามมา ตามมาจากเหตุตัวนั้นเหตุที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จากนั้นก็ผลออกมาจากเหตุที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นึ่งคือพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมาขันเพราะฉะนั้นพวกเรา ท, ทุกท่านนะคณะจตหายาติโยมลูกหลานทุกคนนะสรุปแล้วเป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีเอาวันนี้หลวงพ่อพูดหลังๆพูดมามากแล้ววันนี้พูดไม่มากนะวันนี้นะเอเป็นแนวความคิดนิดหน่อย ตอนนี้ไปพระสงฆ์จะานุโมทนาให้พรรับพร